สิกขานาได้แก่สตรีผู้ศึกษาสิกขาธรรมหกข้อตลอดสองปีที่ชื่อว่าสัมมเนนได้แก่บุรุษผู้ถือสิกขาบท10ข้อที่ชื่อว่าสัมมเนรีได้แก่สตรีผู้ถือสิกขาบท10ข้อคําว่าด้วยตนเองคือวิกับเองที่ชื่อว่าจีวันได้แก่จีวันหชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกับได้เป็นอย่างต่ําที่ชื่อว่าวิกับมีสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งวิกับต่อหน้า วงเล็บสองวิกัพรับหลังที่ชื่อว่าวิกัพต่อหน้าคือภิกษุกล่าวว่าข้าพเจ้าวิกัพจีวันผืนนี้แก่ท่านหรือข้าพเจ้าวิกัพจีวันผลนี้แก่ภิกษุนี้ที่ชื่อว่าวิกัพรับหลังคือภิกษุกล่าวว่าข้าพเจ้าให้จีวันผืนนี้แก่ท่านเพื่อวิกัพภิกษุผู้รับวิกัพถามภิกษุผู้วิกัพว่าใครเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนของท่านพึงตอบว่าภิกษุชื่อนี้และภิกษุชื่อนี้ ภิกษุผู้รับวิกัลพึงกล่าวกับภิกษุผู้วิกัลว่าข้าพเจ้าให้แก่ภิกษุเหล่านั้นจีวรเพลนี้เป็นของภิกษุเหล่านั้นท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงทําตามเหตุผลเถิดที่ชื่อว่ายังไม่ได้ปัจจุทอนคือจีวรที่ผู้รับวิกัลยังไม่ได้คืนให้หรือภิกษุผู้วิกัลใช้สอยจีวรโดยไม่คุ้นเคยกับภิกษุผู้รับวิกัลนั้นต้องอาบัติปาจิตติ